สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในหมวดของเรื่องดี้ับผมนายทกรคนชอบเล่าก็จะพยายามไปหาเนื้อเรื่องข้อมูลจากคนรอบข้างมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันอีกเช่นเคยครับเรื่องแปลกวันนี้เป็นของพี่กล้วยหรือช่างกล้วยช่างแอร์ประจําคอนโดแกเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนครอบครัวของแกเป็นผู้รับเหมาสร้างทางรถไฟหรือทําำทงเรือ การทำงานของครอบครัวแกก็คือจะทำงานเหมือนเป็นธุรกิจในครัวเรือนมากกว่าเพราะว่าคนงานส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนในครอบครัวเป็นญาติพี่น้องกันจะมีคนนอกก็ไม่กี่คนประมาณ2อถึงสคนและก็มีเหตุการณ์ที่ทําให้แกจําถึงวันนี้ก็คือการได้ไปทํางานที่จังหวัดสระบุรีก็เลยต้องอบพยพผลครอบครัวกันไปที่นั่นเพื่อที่จะได้ไปทํางานเมื่อไปถึงจังหวัดสระบุรีก็ไปหาบ้านเช่ากัน เพื่อจะได้ไปที่อาศัยความเป็นอยู่ในระหว่างที่ทํางานกันกลุ่มบ้านแก่ไปประมาณ12คนก็เลยต้องหาบ้านหลังที่ใหญ่หน่อยหาไปหามาก็ไม่ได้บ้านเช่าในราคาที่ถูกคือเช่าเดือนละ 2,000 บาทเป็นบ้านไม้สองชั้นหลังใหญ่มีเนื้อที่เป็นส่วนตัวถือว่าคุ้มค่าเงินมากๆชั้นบนมีห้องแยกอีกเป็นสมห้องชั้นล่างก็เป็นห้องโถั่วเดียวเลยแต่มีห้องน้ําข้างล่างเป็นห้องน้ําที่ใหญ่มาก ตามแบบฉบับของบ้านนอกที่มักจะทําห้องน้ําใหญ่ๆเปิดประตูหลังบ้านออกไปก็จะมีบันไดอันหนึ่งขึ้นไปก็จะไปถึงอีกห้องห้องนึงเป็นห้องเล็กๆที่ก็ทําเสริมไว้หลังบ้านพรอบครัแกก็ไม่ได้สนใจอะไรแกบอกก็ถือว่าบ้านหลังเนี้ยแค่ห้องที่อยู่ภายในบ้านกับพื้นที่ก็เพียงพอสําหรับการอยู่แล้วห้อง เ, เล็กๆก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรมันหรอกเพราะผู้ครอบครัวแกเองก็ไม่ได้กะจะอยู่นานกะแก้พักอาศัยพอให้งานเสร็จเท่านั้นพอตกลงกันเรียบร้อยแล้ว ก็ขนข้าวขนของเข้าไปในตัวบ้านบ้านนั้นรกมากดูทึมๆพีก่กนแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกมันถูกแกเล่าว่าผมกับพี่ชายก็เดินสำรวจบ้านพอเดินสำรวจไปถึงตรงบันไดหลังบ้านและก็เห็นว่าที่มีบันไดขึ้นไปอ่ะมันมีอีกห้องหนึ่งอยู่ก็เลยเปิดเข้าไปดูสักหน่อยพอเปิดเข้าไปดูในห้องนั้นมันเป็นห้องที่อับมากสกรปรกมากมีกลิ่นเหม็นสาบมากก็เลยไม่ได้สนใจอะไรมาก ก็ปิดห้องแล้วรีบเดินกันลงมาเพราะว่ารู้สึกว่าห้องนั้นอยู่แล้วหายใจไม่ค่อยออกมาเดินลงมาเสร็จก็สดดํารวจด้านหน้ามีศาลด้วยเป็นศาลพระภูมิมีตุ๊กตามีมา้ามีช้างมีนางรําล้มละเนรนาดอยู่พี่ชายผมะเป็นคนที่เชื่อเรื่องไสยศาสตร์เรื่องเจ้าที่เจ้าทางสัมมาคารวะดีก็เลยไปยกมือไหว้ศาลแล้วก็บอกว่าขอให้เหล่าพวกครอบครัวของข้าพเจ้าอยู่กันด้วยความปกติสุขช่วยคุ้มครองด้วยเถิด แกไม่ว่าอย่างนั้นอย่เดียวแกก็ไปจับตุ๊ ก, กตาทุกอย่างให้เข้าที่เข้าทางก็คือว่าไปทําความสะอาดให้สารเก่านั่นแหละถอนหญ้าถอนเยื่อที่อตรงนั้นให้ดูเรียบร้อยเจริญหูเจริญตาขึ้นมาทันทีตัวผมเองก็ช่วยพี่ชายทําเหมือนกันพอเสร็จปุ๊บก็เข้าไปจับจองใครจะอยู่มุมไหนใครจะอะไรให้เรียบร้อยเมื่อจับจองที่กันได้เสร็จพ่อแม่และพี่สะพายก็บอกว่าเดี๋ยวไปสํารวจตูตลาดแถวนี้ก่อน เห็นตอนที่เดินหาบ้านเช่าก็มีตลาดอยู่ใกล้ๆแถวนี้ซึ่งระยะไม่ไกลจากบ้านเช่าหลังนี้มากแก3ามคนก็ออกไปตลาดกันพวกเราที่เหลืออยู่ก็อาบน้ําอาบท่าจัดแจงทาาาจําคราบสะอาดอย่างเรียบร้อยเสร็จก็นั่งรอนอนรอกันไปตกเย็นวันนั้นพอทํากับข้าวกับปลากินกันเสร็จไม่มีอะไรทํากันก็เลยตั้งวงเล่นไพ่เลยพอตั้งวงเล่นไพ่ดึกขึ้นมาหน่อยพ่อแม่และพี่สะพายกับพวกผู้หญิงก็แยกย้ายกันไปนอน ก็เหลือพวกเราแค่ไม่กี่คนนั่งเล่นไพ่กันอยู่เล่นไปเพลินมากจําได้คร่าวๆว่าเวลาประมาณเที่ยงคืนนั่งเล่นอยู่เพลินๆกาลังจะตีโง่ตีอะไรกันอยู่เลยมันเหมือนมีอะไรหล่นมาตรงกลางวงไพ่ตึ้มพื้นเนี่ยสะเทือนเลยแต่ก็ไม่เห็นว่ามีอะไรนะไพ่เพื่อสํำรับที่วางตรงกลางกระจายพวกเราที่เหลืออยู่ก็เลยมองหน้ากันโดยไม่ต้องบอกก็เลยเก็บสําหรับไพ่แยกยาก้ายกันเข้านอนซะเลยคืนนั้นก็นอนไป ก็ไม่มีอะไรแต่พอเช้ามาพี่ชายผมคนที่ไหายสารนะ่ะก็บอกกับพ่อว่าขอตัวกลับไปกรุงเทพ่อนแล้วกันนะรู้สึกไม่ค่อยสบายและมีธุระที่จะต้องไปทําด่วนพ่อและแม่ก็บอกว่าเอา้าถ้ามันไม่สบายถึงขั้นนั้นจะกลับไปพักผ่อนที่กรุงเทพถ้ามันจะเป็นก็ไปเหอะแล้วพี่ชายก็ขนข้าวขนของกลับกรุงเทพเลยผมก็ถามว่าเอา้าทําไมกลับซะล่ะแกบอกว่าเออ กูไม่สบายว่ะขอกลับก่อนสรุปกลุ่มเราเลยเหลือกัน11คนเมื่อพ่อแม่ไปเจรจาเรื่องงานอะไรกันเรียบร้อยว่าจะเริ่มกันวันไหนจุดของทํางานมาอยู่ตรงไหนพวกเราก็ออกไปดูงานไปช่วยกันทํางานทํางานเสร็จเย็นวันนั้นก็กลับมากันพอกลับมากันก็ทํากับข้าวกินกันเหมือนเดิมอาบน้ําแบบท่าตั้งวงเล่นไพ่กันต่อเหมือนเดิมแต่เล่นไพ่วันนี้เราไม่เล่นกันดึกเพราะว่ามีความรู้สึกว่ามันแปลก คืนนั้นผมก็นอนอยู่มุ้งของพวกเราอ่ะก็จะนอนกันอยู่หลายคนอยู่เป็นผู้ชายรวมกันนะผู้หญิงก็จะไปนอนแยกมุ้งกันบ้างหรือมีมุ้งส่วนตัวหรือนอนรวมกันบ้างแต่พ่อกับแม่เนี่ยนอนมุ้งส่วนตัวแน่นอนแล้วนอนกันที่ชั้นสองตามห้องสามห้องที่มีอยู่พ่อแม่ไปนอนอียกห้องหนึ่งกลุ่มของผู้หญิงก็นอนอีกห้องหนึ่งและพวกเราผู้ชายก็นอนอีกห้องหนึ่งซึ่งเป็นห้องที่ติดตรงหลังบ้าน ที่ว่าติดกัาห้องเล็กนั่นแหละพอเล่นไพ่ได้สักพักพวกเราก็นอนดับไฟนอนคืนนั้นมีเรื่อง แ, แปลกๆเกิดขึ้นได้ยินเสียงเหมือนมีคนเดินไปเดินมาด้วยบ้านที่มันเป็นพื้นไม้เราจะสัมผัสได้ว่ามีเสียงที่ส้นเท้ากระแทกลงพื้นแต่ก็ไม่ดังมากตึบตึบตึบตึ บ, บเสียงก็พาหลอนดีนะแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากพี่กุ้ยก็เล่า ว, ว่าก็นอนไปเรื่อยๆ พอนอนไปเรื่อยๆแต่แปลกคืนนั้นนอนไม่หลับจนได้ยินเสียงกรนของเพื่อนเบาๆออกมาก็คิดในใจว่าโอ้โ ห, หน้าอิจฉามึงลแล้วเกินนัเนี่ยกินอิ่มแล้วหลับสบายเลยนะเล่นไพ่ก็ได้ตังคิดไปคิดมาหูก็ไปได้ยินเสียง แ, แปลกๆอีกเบาๆหยิมหยิมมาจากทางหลังบ้านแต่ก็ฟังไม่ได้สับก็เลยพยายามเงี่ยหูฟังอีกทีเสียงเดินก็ยังอยู่ พอเสียงเดินครั้งที่สองที่ได้ยินเนี่ยรู้สึกได้ว่าเป็นการเดินขึ้นลงบันไดเหมือนจะเ ด, น เ, ดนนเดินลงแล้วก็เดินขึ้นเดินลงแล้วก็เดินขึ้นตึบตึบตึบตอนนั้นระยะเวลาประมาณห้าทุ่มยังไม่ทันจะเที่ยงคืนเลยแต่ก็ถือว่าดึกคนแถวนี้เขานอนกันเร็วบ้างบรรยากาศเลยเงียบมากก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้แต่เป็นเสียงที่แผ่วเบามากตอนนั้น รู้สึกด้วยเซนได้ทันทีว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่เสียงที่ปกติแล้วอ่ะจะมีใครหน้าไหนอ่ะไปเดินอยู่ตรงบันไดข้างนอกตัวบ้านเวลาประมาณนี้และมาร้องไห้ใจคอเริ่มไม่ดีอยู่ๆตัวมันก็เริ่มแข็งเองรู้สึกตัวมันจะแข็งเองมันจะชาเองมันเป็นอาการเหมือนนอนทับเส้นหรือเปล่าก็ไม่รู้และเมื่อความรู้สึกนี้มันเกิดขึ้นมาเสียงที่ได้ยิ น, นก็ดังขึ้นอีก ไม่มีใครได้ยินไม่มีใครช่วยฮไม่มีใครช่วยไม่มีใครได้ยินเสียงมันดังมาเรื่อยๆแต่อยู่ติดกับตรงหัวนอนแกที่หันไปติดกับห้องเล็กๆข้างหลังบ้านตอนนั้นเหงื่อแตกเสียงเพื่อ น, นก็เงียบไปทุกอย่างเหมือนว่าบ้านหลังนั้นมีแกอยู่คนเดียวได้ยินแต่เสียงหัวใจของตัวเองเต้น เสียงหายใจตัวเองก็ด hmm. mm ังมากฟืดฟาดฟืดฟาดแล้วก็เสียงนั้นก็ยังดังอยู่ไม่มีใครได้ยินช่วยด้วยช่วยด้วยเสียงขึ้นลงบันไดก็ถี่ขึ้นตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบพี่กล้วยบอกตอนนั้นโอ้โหจะท่องอะไรก็ไม่ได้คาถงคถาสวดมงสวดมนคิดไม่ออกเลยก็ได้แต่หลับตาแล้วก็คิดในใจว่า อย่ามาหลอกผมเลยอย่ามาหลอกผมเลยผมมาทํางานผมมาทํางานครอบครัวผมมาทํางานไม่ได้มารวบหลูกใครอย่ามาหลอกผมเลยอย่ามาหลอกผมเลยเดี๋ยวผมจะทําบุญให้เดี๋ยวผมจะทําบุญให้เสียงนั้นก็ดังมาเรื่อยๆตุบ ๆ, ب, ๆ, บ ๆ, บๆกับร้องไห้คําทวนจนกลับไปเมื่อไหร่ไม่รู้มารู้สึกตัวกทีหนึ่งตอนเพื่อนปลุกแกแกก็ยังง ง, งๆอาบน้ é, ําอาบเท่าออกไปทํางานและตัวแกก็ไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังแม้กระทั่งพ่อและแม่แกก็เก็บความคิดว่า เอ๊ะหรือว่าเราจะคิดมากไปเองแต่คงไม่ใช่อะ่ะมันต้องมีอะไรแน่ๆเลยบ้านหลังเนี้ยกับไอ้ห้องข้างหลังนะ่ะแต่ที่แกไม่บอกใครก็เพราะว่ากลัวคนอื่นจะกลัวกันเดี๋ยวจะเป็นอันไม่ทําการทํางานกันต่อไปลําบากย้ายข้าวย้ายของย้ายบ้านหาบ้านกันใหม่อีกก็ได้แต่เก็บความสงสัยไว้กับตัวเองหรือเมื่อเย็นวันนั้นมาถึงอีกก็ทํากิจกรรมกันเหมือนเดิมวันนี้แกไม่เล่นไพ่แกนอนอ่านหนังสือเล่นอยู่ตรงบุมห้อง แล้ววันนี้แกขอเปลี่ยนมุมนอนคือแกจะนอนลูริมในเพราะแกไม่อยากได้ยินเสียงนั้นทางนี้แกก็กราบหมอนสวดมนต์นอนเลยคืนนั้นหลับไปได้สักพักใหญ่ๆก็ถือว่าหลับดีแต่ก็มาสะดุ้งตื่นอีกพอตื่นขึ้นมาแกบอกว่ามีความรู้สึกว่าทําไมต้องเป็นกูเนี่ยทําไมกูจะต้องตื่นวะและคนอื่นมันจะได้ยินอย่างที่กูได้ยินหรือเปล่าเนี่ยเพราะแกได้ยินเสียงคนเดินเหมือนเดิม อยู่ทางหลังบ้านแล้วก็เสียงร้องไห้เหมือนเดิมไม่มีใครช่วยไม่มีใครได้ยินแต่เสียงมันเย็นมากแกบอกเสียงมันเหมือนกระแผ่วมาตามลมเรื่อยๆและแกก็อธิษฐานเหมือนเดิมแต่แกก็ลืมไปทำบุญนะอธิษฐานเหมือนเดิมเลยว่าอย่ามาหลอกอย่าอะไรงี้สักพักเสียงนั้นก็เงียบไปแต่เสียงที่แกได้ยินอีกครั้งหนึ่งก็คือเสียงเดินบนพื้นชั้นสองจากตรงบันไดที่ขึ้นมาจนชั้นสอง แกก็หันไปมองทันทีแกเห็นเงาผู้หญิงคนหนึง่งกำลังเดินตรงเข้ามาทางห้องที่แกนอนเพราะว่าตอนที่แกนอนแกไม่ได้ปิดประตูห้องเพราะแค่กางมุ้งไว้เฉยๆพอเดินเข้ามาใ ก, ใกล้ๆผู้หญิงคนนั้นก็ก้มลงแล้วก็ค่อยๆคลานเข้ามาเสียงตุบมันก็หายไปแต่สัมผัสได้ว่าตอนคลานเข้ามาเนี่ยแกเห็นงันแกก็สยองเลยคลานเข้ามาเรื่อยๆเมื่อเธอคลานเข้ามาเรื่อยๆที่กล้วยก็บอกว่าหลับตาก็ไม่ได้จะทําอะไรก็ไม่ได้ ได้แต่นอนตะแคงมองอยู่อย่างนั้นจนเขาคลามมาจนติดกับมุ้งที่แกนอนอยู่ถึงจะใกล้ขนาดนั้นก็ยังไม่เห็นหน้าแต่รู้ว่าเข้ามาจ้องในระยะที่ใกล้มากก็คือนอกมุ้งกับในมุ้งเท่านั้นเองเสียงของผู้หญิงคนนั้นดังเข้ามาในโสตประสาทหูของแกว่ากูไม่อยากตายไม่มีใครช่วยกูเลยกูไม่อยากตายกูไม่อยากตายพี่กลวยได้แต่สั่นอย่างเดียว หายใจก็ติดขัดหัวใจเต้นตุมตามตุมตามตุมตามมือไม้แข็งไปหมดเกรงไปหมดในใจไม่ได้คิดในสถานอะไรเลยในใจคิดหนึ่งเดียวว่าผีหลอกพี่หลอกพี่หลอกพีหลอกพีหลอกพี่ลอกผีหลอกและผู้หญิงคนนั้นก็ค่อยๆยื่นหน้ามายื่นจนมีความรู้สึกว่าหน้าของเธอเข้ามาชนกับบุ้งเสียงของเธอก็ดังอีกว่ากูไม่อยากตายไม่มีใครใช่วยกูพี่กล้วยบอกว่าตอนนั้นแทบจะขาดใจตายให้ได้ขยับตัวก็ไม่ได้แล้วก็ได้ยินเสียงตึง้ง ดังขึ้นตรงด้านหลังของผู้หญิงคนนั้นเสียงตึ้งนี่ดังมากจนทําให้พี่กล้วยรู้สึกว่าขยับตัวได้เลยผู้หญิงคนนั้นก็หายไปจากมุง้งเหมือนถอยหลังออกไปแล้วก็ไม่มีอะไรอีกเลยพี่กล้วยบอกว่าได้แต่เหงื่อแตกเหงื่อแตนคิดในใจเฮ้ยอะไรวะเนี่ยหลอกกันกระชั้นชิดงี้เลยเหรอไม่ได้แล้วแกก็เลยปลุกคนที่นอนอยู่รใใิมนายขอเปลี่ยนที่นอนตัวแกก็ไปคุดคูอยู่ตรงกลางแล้วก็คุมโป่งนอนถึงตอนเชา้า แกทนไม่ไหวแล้วแกก็เลยเล่าให้พ่อให้แม่ฟังกับคนที่อยู่ในบ้านฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นสองคืนมาแล้วที่แกไปเจอมาพอพ่อได้ฟังพ่อก็บอกว่าเออพ่อก็เจอเหมือนกันว่าไอ้กูก็รู้ว่ากูเจอคนเดียวมึงเจอด้วยเหรอวะบ้านนี้มันยังไงยังไงเนี่ยแต่แม่แกก็บอกว่าแต่แม่ไม่เจอนะแม่ได้แต่ฝันเห็นว่ามีผู้ชายแก่แต่งชุดสีขาวบอกว่าอยู่กันดีๆล่ะเดี๋ยวจะดูแลให้ แม่ต้องกลัวนะแม่ฝันเห็นแกมาสองคืนแล้วแกมาพูดแต่ประโยคนี้แหละไม่มีอะไรมารบกวนเลยพี่กวยคิดในใจว่าเอ๊ะหรือว่าเมื่อคืนตอนที่ได้ยินเสียงดังตึง้งตอนที่ผีผู้หญิงคนนั้นหายไปหรือจะเป็นปาฏิหาริย์ของเจ้าที่ที่เขามาช่วยนะเนี่ยพอเสร็จคุยกันเรียบร้อยเสร็จพ่อบอกว่าเอาเป็นว่าเราย้ายกันเถอะถ้าทางจะไม่ดีแล้วบ้านหลังนี้อยู่ต่อไปเดี๋ยวอาจจะเกิดอะไรขึ้นอีกแน่ พี่กุ้ยบอกว่ารู้สึกเห็นด้วยอย่างยิ่งพอก็เดินทางไปบอกกับเจ้าของบ้านที่อยู่ใกล้ๆกันว่าขอย้ายออกแต่พ่อก็ไม่ได้บอกด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นพ่อแค่บอกว่ารู้สึกว่าอยากย้ายไปอยู่ที่ใกล้กว่านี้เฉยๆแต่คืนนั้นก็ยังไม่ได้ย้ายออกนะแค่สรุปว่าย้ายออกเพราะยังไม่ได้หาบ้านใหม่เลยแต่ตอนกลางวันพ่อและแม่และพี่สะพายก็ไปหาตกเย็นก็เป็นอันว่าได้บ้านเช่าใหม่แล้วเล็กกว่าเดิมนิดนึงแต่อยู่ใกล้กับสายงานเขามีอีกหน่อย ตัวของพี่กล้วยเองบอกว่าทนได้ยังไงก็ได้ขอให้พ้นไปจากบ้านนี้เถอะและคืนสุดท้ายนี้เองก็เป็นคืนที่แจ็คพอตเลิศเกินแต่เป็นแจ็คพอตที่ไม่เท่ากับคืนสองที่พี่กล้วยเจอแต่ได้ยินกันทั้งบ้านจะว่านอนหลับสนิทกันดีก็ไม่เชิงเพราะทุกคนรู้แล้วกับสิ่งที่พี่กล้วยเล่าทุกคนก็สวดมนต์ก่อนนอนเหมือนกันจากที่เคยอาบน้ําคนเดียวก็ไม่กล้าอาบน้ําคนเดียวก็อาบกันเป็นกลุ่มเลยสําหรับผู้ผู้ชายนะแต่ผู้ผู้หญิงก็ไม่รู้เหมือนกันมันนอนกันตกดึกคืนนั้น ผมก็สะดุ้งตื่นอีกทีหนึ่งสะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงเหมือนคนทะเลาะกันดังมาจากไกลๆเหมือนจะดังประมาณอยู่ที่หน้าบ้านหรือชั้นล่างเสียงผู้หญิงตะโกนว่าทำไมกูไม่กลัวมึงหรอกมึงอย่ามายุ่งแล้วก็มีเสียงผู้ชายตะโกนว่ากูบอกว่ามึงห้ามยุ่งกับคนพวกนี้มึงดูสิเขา อ, อยู่กันไม่ได้แล้วเนี่ยเขาไปทาอะไรให้มึงกูไม่ชอบกูเกลียดมันกูเกลียดพวกมันกูเกลียดไอ้ผู้ผู้ชายไม่รู้ละ มันยังอยู่กูก็จะกวัมันเรื่อยๆอย่างนี้แหละก็ได้ยินเสียงตึงตงต้งตั้งตึ้งตั้งข้างล่างเหมือนกับมีคนตีกันไฟก็เปิดขึ้นปุ๊บเห็นพ่อลุกขึ้นยืนเปิดไฟเสียงก็เงียบลงแล้วพ่อก็บอกว่าไม่ต้องนอนกันแล้วมั่อคืนนี้พวกเราอยู่กันแบบมีสติดีกว่าอ่ะเอาไพ่มาเล่นกันเถอะโดยอัตโนมัติไอ้คนที่อยู่ในมุ้งเดียวกับผมที่ดูเหมือนว่ามันจะหลับมันเด้งตัวขึ้นมาราวกับว่าเป่านกหวีดเรียกรีบคาเดออินมุ้งกันไปหาสําหรับไพ่มากลางเล่นกันบอกว่า ดีเหมือนกันดีเหมือนกันอันนี้แหละมันทําให้เช้าเร็วดีสรุปเป็นอันว่าครอบครัวของพี่กล้วยก็เป็นอันว่าต้องย้ายออกตอนเช้าวันรุ่งขึ้นขนข้าวขนของเงินไปเมื่อขนข้าวนขาวนของเสร็จพอระหว่างทางที่จะผ่านร้านขายของชําก็แวะซื้อของซื้อน้ํานั่งคุยกันสักพักนึงก่อนที่จะเดินทางไปบ้านหลังใหม่แม่ค้าก็ถามว่าเออจะย้ายออกกันแล้วหรือจ้าพี่กล้วยเลยบอกว่าครับผมว่าจะย้ายออกแล้วครับ แม่ค้าก็บอกว่าอยู่กันได้นานดีเหมือนกันนะพี่กุ้ยคิดในใจอยู่กันอะไรวะอยู่ไม่กี่คืนเองเงี้ยได้นานแต่ก็เลยหลอกถามแก่ว่ามันมีอะไรหรือเปล่าครับบ้านหลังนั้นแกก็บอกว่าอย่าบอกใครล่ะป้าจะบอกให้บ้านหลังนั้นนะ่ะมันมีคนโดนข่มขืนตายประมาณครึ่งปีก่อนที่เราจะมาเช่ากันนั่นแหละคนเก็บศพ บ, บอกว่าศพไปอยู่ที่ห้องตรงหลังบ้านที่มีบันไดขึ้นไปนะ่ะอืดว่าคนจะไปพบศพนะ่ะ หลายวันอยู่หรอกจนมีกลิ่นเหม็นเน่าเลยแหละก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผู้หญิงคนนี้ทำไมอยู่ๆถึงมาเช่าบ้านอยู่แค่คนเดียวตอนแรกก็เคยมาซื้อของอยู่เหมือนกันนะก็ถามแล้วว่าทําไมมาอยู่คนเดียวบ้านหลังเบอร์เรอร์เลยคนที่ตายเขาก็บอกว่ามาอยู่ก่อนเดี๋ยวจะมีญาติตามมาแต่ก็อยู่ได้ไม่นานก็ยังไม่มีญาติตามมาจนมาเกิดเรื่องก่อนนั่นแหละน่าสงสารมากเลยและตั้งแต่นั้นบ้านนี้ก็ไม่มีคนเช่ามาเลยจนมีพวกคุณแหละที่มาขอเช่า กลางค่ำกลางคืนก็ยังไม่ค่อยมีใครอยากจะเดินและมองผ่านบ้านนี้เข้าไปเลยมันน่ากลัว ม, มันวังเวงอะ่ะแล้วคุณไปอยู่อะ่ะเจออะไรบ้างไหมล่ะพี่กล้วยก็ยิ้มแล้วบอกว่าแจ็คพอตแตกครับพวกเราเลยย้ายกันนะครับและเรื่องราวของพี่กล้วยก็จบลงแค่ตรงนี้แกก็ไม่ได้เล่าต่อว่าบ้านหลังใหม่แกเป็นยังไงแต่คิดว่าคงจะไม่มีเหตุการณ์อะไรที่มันแปลกประหลาดหรือทำให้แกคนหูรูกรอกเมื่อง้นแกคงจะเล่าเสริมไม่ให้เราฟังได้อีกนี่ก็คือสิ่งที่แกไปเจอที่จังหวัดสระ บ, บุรี ก่อนที่แกจะผ่านตัวเองแยกจากครอบครัวมาทำตัวเป็นช่างแอร์แบบเช่นปัจจุบันครับหมดของเรื่องดีรับวันนี้จากประสบการณ์ของพี่กล้วยก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับจะหลอนหรือว่าสนุกตื่นเต้นยังไงหรือว่าผิดภลาพประการใดก็ขออภัยนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ